ตามแนวทางคําคําสอนของสมัสสะสัมพุทธเจ้าเนี่ยลักษณะคําสอนนั้นก็เป็นไปเพื่อการปฏิบัติว่าเอามาทําเอามาทําเนี่ยหมายถึงว่าคุณเอามาใช้ โดยไม่ได้มุ่งเน้นให้ปรารถนาไม่ได้มุ่งเน้นเพื่อการไขว่คว้าแต่ ที่ผลนั้นมันมันตั้งความปรารถนาไว้ๆที่เราเรารู้อยู่เช่นว่าถ้า ไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขบางกับอีกเอ่อคุณทําไป 4 แบบด้วยกันนั้นคือคือเวทนาที่เป็นไมไม 3 แบบนี้แหละใช่อยู่นะทีปฏิบัติเนี่ย ได้อย 4 อย่างในที่จะเกิดขึ้นคือความสุขที่จะเกิดจากสมาธินั่นอย 1 ขั้น 2 ขั้น 3 และ 4 นั่น 4 ขั้นนี้เองเอ่อเรา มันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นในภายในเป็นความสุขที่เราทําได้เอง เมื่อไปเล็กเรนปฏิบัติธรรมก็ตามเนี่ยก็มีความสุขที่เขาอธิบายได้ด้วยบทเพลงชนะที่เขารู้สึกนั่นเองแต่แต่เขาก็ไม่สามารถ นะคุณทําคุณหวังผลคือความสุขใช่อยู่ 4 ระดับที่เกิดเป็นอริยบุคคล 4 ขั้นนั่นเองอริย 3 บุคคล 4 ขั้นในที่เราพูดถึงโสดาบัน ของไอ้เจ้าฌานหรือว่าความสงบในใจที่เรามีอันดับแรกก่อน ประนั้นถ้าเราจับตั้งความปรารถนาในลักษณะที่มันจะเป็นออกนอกมรรคเนี่ยเราจะทําเอ๊ะตั้งความปรารถนาในมรรคมีด้วยเหรอเราพูดถึงความตั้ง ขับหรือว่าเดินไปตามทางไปกับเรือไปหรือว่าเดินไปตามทางๆฟุตบาทใช่มั้ยเลย สมมุติว่าคุณอยากได้ความเป็นสันตะวันไอ้เราจะรู้เรื่องว่ามันออกๆนานา เนี่ยมันไอ้ข้อสรุปละทํามันเกิดขึ้นละเราจะเห็นได้แสดงว่าความอยากตัวนี้คุณเป็นนอกหมักแล้วทีนี้ความว่า เอ่อส่าวมองมันก็เป็น 2 ส่วนอย่างนี้แต่เป็นความท้อแท้ท้อถอยรีอัน 2 อย่าง 2 อันนี้นะเราจะ นะแต่ถ้าเราสร้างเหตุผลให้ถูกนั่นคือ มันจะเริ่มยึดถืออันนี้ก็จะออกนอกมรรคเหมือน เราสามารถรู้ได้เลยว่าแม้คุณก็จะลุ่มหลงในฉันอย่างเงี้ยมันไม่ว่าเอ๊ะเราเราเป็นหรือเปล่านะคือถ้าเรายังมีความรู้สึกว่า ก็ยังมีอยู่เพราะว่าเอ่อความเป็นมีความเป็นเนี่ยยังมีอยู่คือยังไม่ ไอ้เป็นเป็นที่ก็มาเป็นเป็นชั้นเป็นอย่างนั้นชั้นเป็นอย่างงี้เนี่ยไอ้เป็นอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งๆนะแล้ว ตระแสถ้าคุณเข้าใจอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคุณๆนะ 7 ชาตินะคุณก็จะเอ่อเป็นพระอรหันต์ 7 ชาตินะ 7 ชาติเอ่อ เป็นคุณสมบัติของสรวันนั่นคือหมายความว่าถ้าสรวันเขาก็จะมีคุณสมบัติที่ไม่มีชาติ 7 น่ะที่แล 7 แล้วก็เป็นไปไม่ได้เลย อ่าทำบรรพชิตให้ท่อเลือดอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ที่พระสวดน่ะบัญๆนอกเหนือจากคําสอนของสมณสัมพุทธเจ้า เป็นผู้ที่เที่ยงแท้ตนิพพานเที่ยงแท้ตนิพพานเนี่ยหมายความว่าไงนะหมายความว่าไม่เกิน 7 ชาตินั่นๆแล้วก็สามารถปฏิบัติเพื่อ นะไม่รู้ไม่เข้าใจคิดว่าบางอย่างก็ยังเป็นตัวฉันของฉันนี่เป็นของเขาของเขาอย่างนี้อยู่แต่โสดาบันเนี่ยรู้ด้วยเข้าใจด้วยนะรู้แล้วเข้าใจแล้วน่ะ นอกจาก 4 เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเช่นเอ่อน้ําแข็งก็เปลี่ยนเป็นน้ําน้ําใส่ความรังเข้าไปเอามัน มั่นใจมั่นคงมีความตั้งมั่นอันอย่างลงมั่นมั่นใจมั่นคงมีความตั้งมั่นอันอย่างลงมั่นในพระพุทธประสงค์สภาวะที่มีๆลดลงไปลดลง นะว่าเวลาที่เอ่อเรามีสิ่งใดมากระทบนะ มาวัดเอ่อข้อสุดคุณสมบัติต่างๆของเรามาคอยที่จะเอ่อทําข้อเรามาทุกข์ใจบ้างสุขใจบ้างเนี่ยมันก็ไม่ใช่ และโดยสอบนี้ถ้าคุณผ่านได้นะคุณจะ